การกระทางานอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดผลเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมจำเป็นจะต้องมีธรรมของพระพทธเจ้าเป็นผู้ผลักดันไปหรือ พาไปทำที่จะทำให้การกระทำต่างๆนั้นบรรลุผลได้รับความสำเร็จได้เรียกว่าอิทธิบาสีอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทแปลว่าทางอิทธิบาท แต่ว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสำเร็จมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งฉันทะความยินดีความพอใจสองวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสามจิตตะ ความจดจอ่อและสี่วิมังสาความคร้ครวนนี่คือคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่จะผลักดันให้การกระทาต่างๆบรรลุผลขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมทางโลกเช่นการศึกษาเล่าเรียน หรือการทำมาหากินหรือการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆถ้ามีอิทธิบาทสี่ผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนทางธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลผนิพพานถ้ามีอิทธิบาทสี่มีฉันทะเวริยะจิตะวิมังสา ก็จะมีผลเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้รับผลมรรคผลนิพพานแล้วนี <c oughs> ้ก็ได้ใช้อิธิบาสีนี้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน ถ้าพวกเรามีอิทธิบาสีเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบำเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตะภาวนาย่อมปรากฏผลขึ้นมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วท่านั้นเองอยู่ที่อิทธิบาสีถ้ามีอิทธิบาสีมาก ผลก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วถ้ามีอิทธิบาทสี่น้อยผลก็จะเกิดขึ้นมาช้าดังนั้นในการบำเพ็ญเพื่อมรักผลผนิพพานเราจึงต้องพยายามสร้างให้มีอิทธิบาทสี่ให้มากขึ้นไปตามลำดับ ที่บาสีข้อที่หนึ่งเรียกว่าฉันทะความยินดีหรือความพอใจที่จะทำหน้าที่ทำงานทำการทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมาเช่นพวกเราปรารถนาผลทางทางธรรมคือปรารถนามากผล น, ผนิพพาน พวกเราก็จะต้องมีความพอใจมีความยินดีกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีที่จะบำเพ็ญมักคือเครื่องมือหรือทางสู่มรรคผลนิพพานมักก็คือทานศีลภาวนานี่เอง เราต้องมีความยินดีมีความพอใจกับการทำทานถ้าเรายังมีสิ่งที่เราจะทำทานได้เราก็ต้องยินดีทำอยู่เสมอและต้องยินดีทำให้หมดเพราะว่าทานนี้จะเป็นเหมือนกับการถอนสมอเรือ เวลาที่เราจะออกเดินทางทางน้ำทางเรือนี้ถ้าเรือจอดทออสมออยู่เรือจะไม่สามารถลั่นไปไหนได้เวลาเราจะไปทางเรือจะให้เรือวิ่งแล่นไปตามทางที่เราต้องการให้ไป เราก็ต้องถอนสมอเรือก่อนพอถอนสมอเรือแล้วเรือก็จะได้ไหลไปตามกระแสน้าได้ไหลไปตามตามพลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ของเรือได้ทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่จะปลดเปลื้องจิตใจให้ออกจากภาวะของการ หาเงินหาทองภาวะของการใช้เงินใช้ทองภาวะของการรักษาเงินทองถ้าเรามีเงินทองที่เราต้องคอยดูแลรักษาหรือถ้าเรายังต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆอยู่เราก็ต้องเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทอง เสียเวลาไปกับการดูแลรักษาเงินทองเสียเวลาไปกับการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพาน่างนั้น เราต้องมีความยินดีความพอใจกับการทำทานไปจนกว่าเราไม่มีอะไรจะให้แล้วหรือถ้ามีก็เป็น ส, ส่วนที่เราให้ไม่ได้ส่วนที่เราต้องอาศัยเช่นถ้าเราไม่ได้บวชเป็นพระเราต้องดูแลร่างกายของเราเราก็ต้องมีทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่ง ไว้สำหรับดูแลร่างกายคือต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยนี่คือส่วนที่เราให้ไม่ได้เป็นส่วนที่จำเป็นที่เราจะต้องมีเก็บเอาไว้เพื่อที่เราจะได้บำเพ็ญปฏิบัติทำรักษาศีลได้อย่างสะดวก ไม่มีอปรสรับการที่เราจะเกิดชั้นท่าเกิดความยินดีในการทําทานในการรักษาศีลในการภาวนานี้เราก็ต้องได้ยินได้ฟังหรือรู้ถึงผลที่เราจะได้รับว่าถ้าเราทําทานเรารักษาศีลเราภาวนาแล้ว เราจะได้อะไรเหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอะไรต่างๆเรามักจะต้องดูโฆษณาของสินค้านั้นก่อนว่าสินค้านี้มีคุณสมบัติอะไรมีประโยชน์อย่างไรกับเราถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไรเขาจึงมักจะมีการโฆษณาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคผู้ที่จะซื้อสินค้านี้ได้รู้จักประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าที่เขานำมาขายถ้าเปรียบกับธรรมะคือมรรคผลนิพานนี้ก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่งเราถ้าอยากจะรู้ว่ามรกผลนิพานนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรกับ ตัวเรากับจิตใจของเราเราก็ต้องดูโฆษณาของมรรคผลนิพพาน ừ, การดูโฆษณาของมรรคผลนิพพานนี้ก็คือการศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอาหารหันตสาวกผู้ที่ได้พบกับประโยชน์ของมรรคผลนิพพานแล้ว รู้คุณค่าของมรรคผลนิพพานว่าดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาลหันตสสาวกเราก็จะได้รู้จักคุณค่าของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ไม่สามารถกาจัดการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันจบสิ้นของพวกเราได้มีแต่มรรคผลนผิพานนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำได้ถ้าเรารู้ถึง ความวิเศษของมรรคผลพิพานของมรรคผลนิพพานมันก็จะทำให้เราเกิดฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติที่จะบำเพ็ญเพื่อให้เราได้รับผลคือมรรคผลนิพพานนี้เหมือนกับเรายินดีที่จะเสียเงินซื้อสินค้าที่เรา ได้เห็นจากการโฆษณาเห็นเขาโฆษณาบ้านเขาวาดภาพของบ้านให้ดูว่าบ้านของเขาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้มีความสะดวกมีความสบายอย่างไรพอเราเห็นภาพเราเห็นถึงผลที่เราจะได้รับจากบ้านหลังนี้เราก็ยินดีที่จะเสียเงินจองบ้านหรือจ่ายเงินสดเลย เพราะเราอยากจะได้บ้านที่เขาโฆษณาให้เราเห็นนี่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเกิดฉันทะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการทำทานต่อการรักษาศรรีลต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนาเราก็ต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แนื่จากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้รู้เห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานอย่างชัดเจนท่านจะสามารถแสดงความวิเศษของมรรคผลนิพพานให้แก่พวกเราได้เห็นได้อย่างชัดเจนจนทําให้เรานี้อยากจะได้มรรคผลนิพพาน และยินดีที่จะปฏิบัติทำเพื่อที่จะให้ได้มากผลนิพพานนี้มาไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากขนาดไหนก็ตามถึงกับต้องสละทรัพย์สละอวัยวะและสละชีวิตก็ยินดีที่จะสละเพราะสิ่งที่จะได้มานั้นมีคุณค่ามากกว่า ทรัพย์ที่เราต้องสละไปมีคุณค่ามากกว่าอวัยวะมีคุณค่ามากกว่าชีวิตที่จะต้องสละไปเพราะว่าทรัพย์ก็ดีอวัยวะก็ดีชีวิตก็ดีนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องสูญเสียมันไปอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนิจจงของความไม่ เที่ยงแท้แน่นอนของความไม่ช้าวรของสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองสิ่งต่างๆที่เราได้มาเช่นทรัพย์อวัยวะและชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องสูญเสียมันไปเราจะสูญเสียแบบไม่ได้อะไรกลับมาหรือเราจะสูญเสียแล้วได้ของวิเศษ กว่าของที่เราสูญเสียไปถ้าเราชั่งน้ำหนักด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าการปฏิบัติของเราเพื่อให้เราได้สิ่งที่วิเศษมาต้องเสียทรัพย์ต้องเสียอวัยวะต้องเสียชีวิตที่ยังไงยังไงเราก็ต้องเสียมันอยู่ดีเราก็จะยินดีที่จะเสียเพื่อให้เราได้ รับของที่วิเศษกว่าที่เราเสียไปดีกว่าปล่อยให้มันเสียไปเปล่าๆโดยไม่ได้รับอะไรกลับคืนมานี่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราจะเห็นอย่างนี้เห็นว่าการลงทุนของเรานี้มันคุ้มค่าแล้วก็ถ้าเราไม่ลงทุน ทุนของเรานี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีหมดไปโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาแต่ถ้าเราลงทุนไปให้กับการปฏิบัติธรรมเราจะได้มากผล น, ผนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอรหันตสาวกก็ดีแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเราการมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทุกๆครั้งไปความจริงแล้วโอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็เหมือนกับโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในแต่ละครั้งนั่นเองมันไม่ได้เป็นของง่ายชาตินี้เป็นถือว่าเป็นโชคคราบของพวกเราที่เราได้มาเกิด แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระอ า, ารามตสาคกที่จะทำให้เราเกิดฉันทะวิริยะกิตติวิมังสาขึ้นมาที่จะเป็นธรรมที่จะผลักดันให้การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน เป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ยากเย็นเลยถ้ามีอิทธิบาทสี่ดังนั้นข้อแรกที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาก็คือฉันทาความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพราะตามพราะรำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความยินดีที่จะฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแทนที่จะไปฟัง เพลงไปฟังดนตรีไปฟังละครไปฟังเรื่องราวอะไรต่างๆของทางโลกที่ไม่มีคุณมีประโยชน์ต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเลยถ้าเรามีความยินดีที่จะฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและธรรมที่เรา เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะได้กำจัดความลังเลสงสัยต่างๆไปให้ได้หมดเช่นความลังเลสงสัยว่ามรรคผลนิพพานนี้ยังมีอยู่ในสมัยนี้หรือไม่ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้หรือไม่ และผู้ปฏิบัติธรรมนี้จําเป็นจะต้องเป็นนักบวชคือต้องบวชเป็นพระภิกษุภิกษุณีหรือไม่ถึงจะบรรลุได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าการที่เราจะบรรลุมรรคสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีเออ การที่จะบรรลุได้นี้อยู่ที่การปฏิบัติสี่ลักษณะด้วยกันคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุณีเป็นสามนเณรเป็นแม่ชีเป็นชีประขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกา เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่บุคคลเหล่านี้ถ้ามีการปฏิบัติคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนบุคคลเหล่านี้ย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าเป็นผู้ครองเรือน หรือเป็นนักบวชแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีกิปฏิปันโนเท่านั้นไม่เชื่อลองไปอ่านบทสังคคุณดูสังคคุณที่เว่าสุปฏิปันโนซาวกรสังคโคผู้ที่ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบคือสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้เอ่ยว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่ท่านว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนบริบูรณ์นี่คือถ้าเราได้ฟังเทศจากผู้ปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราฟังเทศจากผู้ไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะคิดว่า มรรคสีผลสีนิพพานอย่งนี้ต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นและก็ไม่ใช่พระภิกษุในสมัยปัจจุบันนี้ต้องเป็นพระภิกษุในสมัยพระพุทธการเท่านั้นเพราะในสมัยนี้พระภิกษุไม่มีใครได้บรรลุกันมีก็มีจํานวนน้อยจนแทบเราไม่รู้ว่ามีพระที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้ มีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของพระที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่คน้นคว้าไม่ศึกษาไม่แสวงหาก็จะไม่ได้พบจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่ามีพระภิกษุที่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ในปัจจุบันนี้เพราะจำนวนของพระภิกษุที่ไม่ได้บรรลุนี้มีมาก กว่าหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าพระภิกษุต้องเป็นพระภิกษุในสมัยพระพุทธกาลเท่านั้นเพราะในสมัยพระพุทธกาลนี้มีพระภิกษุบรรลุมรรคผลนิพพานมากกว่าพระภิกษุที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ในสมัยปัจจุบันนี้มันกลับกันไปคนละด้าน สมัยนี้ภาพพิสษุที่บรรลุมรรคผลนิพพานนี้มีจำนวน น, น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนของภาพพิสษุที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็อาจจะทำให้เห็นภาพไปว่าบวชเป็นพระก็ไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับความกระจ่างถ้าเราฟังเทศจาก พระอาลานตสสาวกผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านจะยืนยันกับพวกเราว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาการิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับกาลเวลาไม่เสื่อมไปกับพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรารณิพานไปแล้วถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีด้วยกัน แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะยังให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ยังมีคุณภาพมีคุณสมบัติเหมือนเดิมอยู่ผู้ใดศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเค้่งคัดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเหมือนกับในสมัยพระพุทธการซึ่งมีพระ สุปฏิปันโน พ, พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้ว่าจะมีจํานวนไม่มากได้เป็นผู้ยืนยันแล้วแต่เราต้องศึกษาเราต้องแสวงหาจากพระเหล่านี้เราถึงจะได้รับความกระจ่างได้รับการกําจัดความลังเลสงสัยออกไปจากจิตจากใจของพวกเราได้แล้วจะทําให้พวกเรานั้นเกิด ฉันทะขึ้นมาถ้าเรามีฉันทะแล้ววิริยะคือคุณธรรมข้อที่สองนี้ก็จะตามมาเช่นเดียวกับข้อที่สามและข้อที่สี่คือจิตตะและวิมังสาถ้าเรารู้แล้วอย่างมั่นใจอย่างแน่นอนว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะต้องได้รับมรรผลนิพพานอย่างแน่นอน เหมือนกับถ้าเราไปซื้อลอตเตอรี่แล้วคนขายเขายืนยันว่าใบนี้ถูกรางวันที่หนึ่งอย่างแน่นอนเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเราจะซื้อถึงแม้เขาจะเรียกราคาแพงๆขนาดไหนเราก็ซื้อขอให้การลงทุนของเรามันคุ้มค่าก็แล้วกันเช่นรางวันที่หนึ่งเขาให้เราหกล้านแล้วเขาจะขายเราสองล้านเราก็ยินดีที่จะซื้อ ถ้าเขายืนยันว่าลอตเตอรี่ใบนี้จะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนเพราะเราเสียสองล้านแต่เราได้กลับมาหกล้านเราก็ยังได้กำไรอยู่ฉันใดถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอาหารหันตสาวกหรือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีจาเล็กอยู่ในพระไตรปิฎกได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกเราก็จะได้รับคํายืนยันว่าถ้าเราปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบประทัดปฏิบัติอย่างเขร่งครัดปฏิบัติอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องสละซาไปสละอวัยวะไปและสละชีวิตไปเราก็จะไม่ลังเลสงสัยเราพร้อมที่จะสละเพราะว่ายัางไงยังไงเราก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีไม่ช้าก็เร็ว ชีวิตของเรานี้มันมีวันสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงทรัพย์ต่างๆที่มีอวัยวะที่มีมันก็หมดสภาพตามตามไปด้วยเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเราก็จะมีวิริยะความเพียรความเพียรปฏิบัติทำทานรักษาศีลภาวนา ก้าวขึ้นไปตามลำดับเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ครบบริบูรณ์แต่เราไม่สามารถทำทีเดียวทุกอย่างพร้อมกันได้เราก็ทำไปตามขั้นตามตอนทำจากของง่ายไปสู่ของยากการทำทานนี้ง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีล น, นี้ง่ายกว่าการบาเพ็ญสมถะภาวนา การบาเพ็ญสมถคภาวนานี้ง่ายกว่าการบาเพ็ญวิปัสสนาภาวนาแต่เราต้องมีทั้งหมดเราต้องบาเพ็ญทั้งหมดเราต้องมีใจที่เป็นทานเราต้องมีใจที่เป็นศีลเราต้องมีใจที่สงบและเราต้องมีใจที่ฉลาดเราถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ในขณะที่เราบาเพ็ญนี้เราอาจจะบาเพ็ญทีละอย่างไปก่อน ตามกําลังของเราตามภาวะของเราถ้าเราอยู่ในสภาพที่ต้องบําเพ็ญทานก็บําเพ็ญทานไปถ้าเราอยู่ในสภาพที่รักษาศีลได้เราก็รักษาศีลไปถ้าเราภาวนาได้เราก็ภาวนาไปทําไปเรื่อยๆใจเรานี้มีใจจดจ่ออยู่กับงาน อยู่กับเหตุที่จะทำให้เกิดบรรเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นใจจะไม่ไปจดจ่ออยู่ ก, กับการกระทำอย่างอื่นจะไม่ไปสนใจกับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายจะมีใครเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาล่อให้เราไปทำงานกับเขาหรือไปเที่ยวกับเขาไปอยู่กับเขา ไปทําอะไรกับเขาเราก็จะไม่ไปเพราะว่าใจของเรานี้มีจิตตะคือใจของเราจดจ่ออยู่กับการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเท่านั้นอยู่กับการที่จะบําเพ็ญทานศีลภาวนาให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีวิมังสาคือใจก็จะคิดค่ายครวนอยู่กับเรื่องของการทําทาน เรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการภาวนาจะไม่ไปคิดค่ายควรถึงเรื่องของการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะคิดอยู่กับในเรื่องของการบาเพ็ญเท่านั้นถ้าใจของเราหมุนไปกับการบาเพ็ญจดจ่ออยู่กับการบาเพ็ญมีความเพียรเป็นตัวสนับสนุน ผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนนี่คือการทำงานของอิทธิบาทสี่ถ้าพอมีฉันทะแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จุดประกายให้จิตตะให้วิริยะจิตตะวิมังสาปรากฏตามขึ้นมาแล้วพอมีครบทั้งสี่ประการการบำเพ็ญก็จะ เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างสดาอย่างสะดวกราบรื่นและอย่างง่ายดายเพราะยิ่งปฏิบัติไปความชํานาญยิ่งมีมากความสามารถยิ่งมีมากความยากเย็นต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งกลายเป็นความง่ายดายไปเพราะทําอย่างชนานาญนั่นเอง พอเรามีความชานาญแล้วเราก็จะทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเหมือนกับเวลาที่เราทำอะไรต่างๆในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เคยทำเราจะรู้สึกตะขิดตะขวงจะรู้สึกว่ามันยากลำบากเช่นการขับรถยนต์ถ้าเราไม่เคยขับก่อนนี้เวลาจะหัดขับรถนี้จะรู้สึกว่ามันยาก ม, มีอะไรต่างๆมากมายที่จะต้องเรียนรู้ แต่พอเราเรียนแ ล, แล้วเราก็ไปขับดูตอนต้นก็จะล้มลุกคลุกคานไปถูกบ้างผิดบ้างแต่พอขับไปเรื่อยๆก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาจนในที่สุดก็จะเป็นการง่ายดายเพราะเกิดความเคยชินแล้วรู้จากการขับแล้วและได้ฝึกฝนแล้วจน สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ความคิดพอทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมันจะเป็นไปของมันเองไม่ต้องใช้ความคิดคอยแยกแยะว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเคยทำไปแล้วพอถึงเวลาทำมันก็จะทาไปเลยดังนั้นขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมพยายามศึกษา ถ้ารำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะจากพระไตรปิฎกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพอาาระอรหันตสาวกที่ได้มีการจารึกไว้ในสื่อต่างๆในหนังสือในแผ่นซีดีหรือการได้เข้าไปพบได้ยินได้ฟังจาก ตัวท่านโดยตรงก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดฟังครั้งเดียวฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเพราะมีทั้งศัพท์มีทั้งอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราไม่เข้าใจความหมายก็ได้ อันไหนที่เราไม่เข้าใจความหมายเราต้องขวนขวายเราต้องไปหาศึกษาหาความหมายหาความหมายของคำที่เราได้ยินว่ามีความหมายว่าอย่างไรเราต้องมีความพยายามถ้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาเราเลยนี่มันจะไม่เกิดขึ้นฟังแล้วไม่เข้าใจในส่วนใดก็ฟังต่อไปอีก กลับมาฟังใหม่ฟังหลายหลายหนฟังไปเรื่อยๆแล้วพอฟังซ้าเข้าไปบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นเกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วจะได้นาเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นี่คือเรื่องของการสร้างอิทธิบาทสี่สร้างด้วยการเข้าหาผู้รู้เข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าหาคำสอนของพระอาหลันตสาวกเวลาเราเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีรือพระอาหลันตสาวกก็ดีเราอย่าไปเข้าหาร่างกายของท่านอย่าไปอย่าไปเกาะติดชายผ้าเหลว การเกาะติดชายผ้าเหลืองหรือการติดตามตัวครูบาาจารย์ท่านไปไหนเราก็ไปกับท่านแต่เราไม่เคยสนใจทำที่ท่านแสดงให้เราฟังเลยฟังแล้วเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปใจเราไปจดจ่ออยู่กับรูปร่างหน้าตาของท่านอยู่กับการพูดอยู่กับการกระทำของท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งก็มีความสุขได้ในขณะที่ได้สัมผัสรับรู้เพราะการพูดการกระทําของนั่นนั้นเป็นการพูดการกระทําที่ถูกต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วก็เกิดความประทับใจได้แต่มันไม่เพียงพอต่อการที่จะทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้การที่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี้ ต้องอยู่ที่การบาเพ็ญตามคำสอนของท่านเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยนในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยชนแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราอยู่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นและเป็นผู้เห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นธรรม ได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ตามเกาะชายผ้าเหลืองติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกขนทุกแห่งแต่ไม่นําเอาไปปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นพระอานน์นิเกิดเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าที่สุดพระพุทธเจ้าไปเทศนาที่ไหนพระอานนน์ก็จะติดตามไปเสมอ และถ้าพระอา น, นุ์ไม่ได้ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามเมื่อกลับมาแล้วต้องแสดงธรรมนั้นให้แก่พระอานนุ์อีกครั้งหนึ่งแต่พระอานนุ์ฟังแล้วนี้ท่านเพียงแต่เอามาจดจําเท่านั้นท่านมีความจําความความจํานี้ดีเลิศเพราะทำความสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกแห่งทุกคนพระอา น, นุ์นี้จําได้หมดเลย แต่ความจำนี้ไม่พอเพียงต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานพระอา น, นุ์ก็ได้แต่จดจำเท่านั้นเพราะพระอา น, นุ์ไม่มีเวลาว่างที่จะไปเปรกวิเวกไปบำเพ็ญไปปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะต้องคอยปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จ ด, ดับขันธปางละนิพพานไปแล้วพระอานนุ์ก็ มีเวลาว่างมีเวลาไปเปลิกวิเวกไปบำเพ็ญตามลาพังไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นสิบสิบปีด้วยกันแต่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย ก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองได้แต่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแต่ไม่มีเวลาอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าท่านมีความเคารพรักพระพุทธเจ้ามากท่านจึงเสียสละเวลาที่จะไปบาเพ็ญเพื่อที่จะคอยปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าและการเสียสละนี้แหละมันเป็นอนิสงส์ที่ทำให้ท่านสามารถบาเพ็ญ และบรรลุทาได้ภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นเพราะท่านจะมีทมคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ลิพานไปแล้วแล้วมีการสังขายาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้พ่ออานนท์นี่แหละเป็นผู้ที่มา สังขยาเนะี่ยคสอนเพราะท่านเป็นผู้จดจําคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเนี่ยพระสูตรนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระอานนุ์เป็นผู้จดจําไว้พระไตรปิฎกนี่มีสามส่วนด้วย ก, กันส่วนหนึ่งเรียกว่าพระสูตรส่วนที่สองเรียกว่าพระอภิธรรมส่วนที่สามเรียกว่าพระวินัยพระสูตรนี้เป็นพระอานนุ์ผู้ที่จดจํามา แล้วมาสังคายนาให้กับพระสงฆ์พระอารานตสาวกห้าร้อยรูปหลังจากสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ธารินิพพานไปเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปการที่จะอาศัยพระธรรมคำสอนก็ต้องมีการมาสังคานากัน มาทบทวนกันว่าใครจำาอะไรได้มาบ้างอย่างไรตรงกันไหมส่วนไหนไม่ตรงก็มาวิเคราะห์กันดูว่าส่วนไหนความจำของใครถูกคาจำของใครไม่ถูกเพื่อที่จะได้คงอความบริสุทธิ์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ต่อไปเพราะว่าเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนาทางต่อไป โดยอาศัยพระอาหันตสาวกเป็นผู้นำเอาแสงสว่างเหล่านี้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่ให้ผู้มืดบอดอย่างพวกเราต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการศึกษาแล้วไม่ได้ปฏิบัตินได้ยินได้ฟังธรรมแล้วไม่ได้ปฏิบัตินี้อย่าเววอย่าไปหวังว่าจะได้รับผล พราะการศึกษานี้ยังเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการของการบรรลุเท่านั้นยังไม่พอเพียงต่อการบรรลุศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติเนะมื่อรู้แล้วว่าต้องทําทานทําให้หมดถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นสารณะอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นสิ่งที่จะซื้อความสุขต่างๆให้ เพราะสิ่งที่ได้มานั้นมันจะต้องเสื่อมหมดไปแล้วความสุขที่ได้มามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปงั้นอย่าไปพึ่งเงินทองพึ่งเงินทองเฉพาะให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เริ่มตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไป รักษาศีลห้าได้ก็รักษาศีลแปดต่อไปรักษาศีลแปดได้ก็จะบําเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาได้หรือถ้าอยากจะบวชออกบวชได้ก็สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ศีลของพระภิกษุของภิกษุณีได้นแต่ศีลแปดนี้ก็พอเพียงต่อการสนับสนุนในการบําเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนา ไม่ต่างจากศีล227ของพระพิกษุมากนะศีล ส, ส่วนใหญ่ของพระพิกษุนั้นเป็นกฎระเบียบ ม, มากกว่าเป็นข้อห้ามเพื่อให้ไม่กระทาอะไรที่มันดูแล้วเสียหายเสื่อมเสียในสายตาของผู้ที่มีศรัทธาคือพระวินัยนี้มีไว้เพื่อที่จะยังศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาไว้ไม่ให้เสื่อมลงไป และสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดขึ้นมาศีลโดยหลักของพระก็อยู่ในกรอบของศีลแปดนี้เองศีลสําคัญศีลใหญ่ๆของพระสี่ข้อนี้ก็อยู่ในศีลห้า น, นี้ก็คือหนึ่งการไม่ฆ่ามนุษย์สองไม่เสกกามไม่เสกไม่ถุนคือไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ใดสามไม่ลักทรัพย์ และสีไม่พูดป่นไม่อวดอุตริกคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนนี่คือศีลที่ถือว่าเป็นเป็นข้อห้ามที่สำคัญสี่ข้อเป็นศีลใหญ่ถ้าพระภิกษุละเมิดข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ก็จะต้องขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ว่าจะมีผู้มาตัดศีลหรือไม่มีผู้มาตัดศีลไม่สำคัญ ผู้ที่กระทำนั้นย่อมรู้แก่ใจของตนว่าตนนั้นได้ปาราชิกแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้วถ้าเป็นก็เป็นแบบหลอกลวงชาวสายตาของชาวบ้านไปเท่านั้นจะไม่มีวันที่จะปฏิบัติให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วถ้าเป็นต้นตานก็เหมือนยอดมันด้วนไปแล้ว ถึงแม้จะมีต้นอยู่มันก็เป็นต้นที่ไม่มีชีวิตชีวาแล้วถ้าเป็นพระภิกษุก็เป็นพระภิกษุที่ไม่มีมรรคผลนิพพานแล้วนี่คือเรื่องของปาราชิกสีไม่ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาผู้ปฏิบัติถ้าเป็นผู้ที่มีสัจจะย่ยอมรู้แก่ใจว่าตอนนั้นผิดหรือไม่ผิด เป็นปาราชิกแล้วหรือไม่เป็นปาราชิกนะแต่สมัยนี้ผู้ที่มาบวชนี่มีที่ไม่มีสัจจ ก, กันพอตอนเองทำอะไรผิดแล้วก็ตะแบงหาข้ออ้างไปต่างๆนาน า, น า, นาว่าเผลอสติบ้างว่าไม่มีเจตนาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของของกรรมก็แล้วกัน ใครทำกรรมันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของบุคคลอื่นบุคคลอื่นนี้ไม่ต้องไปสนใจกับบาปกรรมของผู้อื่นใครทำอะไรไว้ก็ปล่อยเป็นเป็นเรื่องของเขาปล่อยให้ไปเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไป เราควรจะมาสนใจกับการทำกระทำของเรามากกว่าที่จะไปสนใจกับการกระทำของผู้อื่นเพราะการกระทำของผู้อื่นนี้ไม่ได้ทำให้เราไปนรกหรือไปพระนิพพานแต่การกระทำของพวกเรานี้เองที่จะพาให้เราไปนรกหรือไปพระนิพพานดังนั้นขอให้เรามาดูการกระทำของเราดีกว่าที่จะไปดูการกระทำของผู้อื่น ดูว่าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือเปล่าเราสุปฏิปันโนหรือเปล่าอุชุปฏิปันโนหรือเปล่าญาญาปฏิปันโนหรือเปล่าสามีจิปฏิปันโนหรือเปล่าขอให้เรารู้สี่ข้อนี้แล้วพยายามบเพ็ญให้อยู่ในกรอบของสี่ข้อนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะต้องเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน อย่าไปเสียเวลากับเรื่องของผู้อื่นตอนนี้เราต้องมาช่วยตัวเราก่อนช่วยตัวเราให้หลุดพ้นก่อนเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราถึงค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาตอนที่พระองค์ยังไม่หลุดพ้นพระองค์ก็ไม่ไปสั่งสอนใครเลยทรงบําเพ็ญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหกปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพอพระ อ, องค์ทรงหลุดพ้นแล้วไม่มีภารกิจที่ยังต้องทำเกี่ยวกับพระ อ, องค์เองแล้วพระ อ, องค์ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ถึง45ปีด้วยกันมาช่วยเหลือผู้อื่นมาสั่งสอนผู้อื่นให้ให้ปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจาก กองทุกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนีต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยผู้อื่นอย่างที่ทรงตัดสอนไว้ก่อนที่จะจากไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจงยังประโยชน์ของตนก่อน เมื่อประโยชน์ของตนได้สําเร็จรู้เรื่องแล้วก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ตอของผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังทําธุระของเราไม่สําเร็จเราจะไปสอนให้ผู้อื่นเขาทําธุระที่เราทําให้สําเร็จได้อย่างไรเราต้องทําธุระของเรางานของเราให้สําเร็จก่อนเมื่องานของเราสําเร็จแล้วเราค่อยไปสอนผู้อื่นให้เขาทํางานของเขาให้สําเร็จ เราก็จะสอนเขาได้เพราะเป็นงานอันเดียวกันงานชนิดเดียวกันนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะทำให้เราหูตาสว่างขึ้นจะให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเราจะได้ไม่สับสน บางทีมีคนมาทักเราก็จะเขว้ได้เช่นมีคนที่ไม่นับถือศาสนาเขาคิดว่าผู้ที่มาบำเพญ็ญมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เข้าใจว่าการบำเพญ็ญการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปศึกษาตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยก่อนที่เราจะได้ปริญญามา ระดับปริญญาเตนี้เราต้องเสียเวลาศึกษาเล่าเรียนกี่ปีด้วยกันนับตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปก็สิบหกปีด้วยกันสิบแปดปีถ้ามีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองถ้าเรียนสิบแปดปีด้วยกันนี่ไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้แก่ใครเลยทำไมไม่เห็นว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่พอมาเปรกวิเวกมาอยู่มาบวชมาปฏิบัติธรรมนี้กลับกลายว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไป ก็มาปฏิบัติมาศึกษาเหมือนกันแล้วมือศึกษาบรรลุแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านก่าจะบรรลุนี่ท่านก็บรรลุอายุช่วง 60-70 ปีด้วยกันช่วงที่ท่านไปอยู่ไปบาเพ็ญที่เชียงใหม่ตามนำพังช่วงนั้นตามประวัติท่านอยู่ระหว่างอายุ 60-70 ปีด้วยกัน พออายุเจ็ดสิบท่านก็ได้รับอาร า, อ, อาราธนาจากเจ้าคุณธรรมเจดีผู้เป็นลูกศิษย์ของท่านให้ท่านได้มาเผยแผ่ธรรมะโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในภาคอีสานท่านจึงเดินทางจากเชียงใหม่มาอยู่ที่ภาคอีสานในสิบปีสุดท้ายของท่านท่านก็บำเพ็ญท่านก็สั่งสอนทั้งพระภิกษุสามเณรและ คารวะญาตโยมให้ได้ยินได้ฟังธรมและได้ปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจํานวนมากท่านก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวตรงไหนเพราะว่าการไปศึกษาการไปปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปเข้าโรงพยาบาลใจของเราไม่สบายมันก็เหมือนกับร่างกายของเราไม่สบาย ใจไม่สบายก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้รักษาใจให้หายจากความไม่สบายใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆนี้เองเวลาร่างกายไม่สบายเราก็ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่มีใครว่าคนไปโรงพยาบาลนี้เห็นแก่ตัวกันแต่คนไปรักษาใจที่โรงพยาบาลใจกลับกลายเป็นผู้เห็นแก่ตัวไป ถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้คำตอบเวลาที่มีคนมาทักว่าเราเห็นแก่ตัวเพราะเราไปปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มีคำตอบให้กับเขาแล้วเขาก็อาจจะอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการเสียสละยินดีกับความกล้าหาญของพวกเราที่ยอมสละทรัพย์ยอมสละอวัยวะ และสละชีวิตเพื่อรักษาใจของเราเพื่อรักษาธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะมาคุ้มครองมารักษาใจของเราให้หายจากความทุกข์ให้ไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังกันแล้วจะทำให้เราเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาที่จะทาให้เรามีกาลังจิตกาลังใจ ที่จะปฏิบัติอย่างห้าวหาญอย่างกล้าหาญอย่างเข้มข้นเพื่อความเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริโพเรนติสาคาร เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสภเพโหริตุหลังกปาจันโทปนาแรโสยถามณิโชติรโสยถาสพีติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายโสุขที่ขายุโกภวะอาภีว า, านธนสีลิสะนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลาเาต่อไปนี้ส ญาติโยมที่ต้องการถวายข้าวของหรือมารับหนังสือก็ขอเชิญขึ้นมารับได้ตอนนี้มีหนังสือใหม่หนังสือประวัติวัดยาณสังวรลาลามท่านที่ไม่รู้ความเป็นมาของวัดและของเขาเชียวนี้ก็จะได้รู้ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใด ที่อยู่ที่นี่อยากจะถามปัญหากอขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ไม่ต้องอายไม่ต้องคิดว่าเราเป็นคนโง่เราสาระความโง่ของเราเพื่อให้คนอื่นฉลาดเป็นยังไงเราฉลาดด้วยดีกว่าโง่กันต่อไปยอมประกาศความโง่ของเราเพื่อให้เราฉลาดและให้คนอื่นฉลาด ดีกว่ารักษาความโง่ของเราไว้อันนี้เป็นกิเลสเพราะเรายังรักตัวกลัวตายยังรักหน้ารักตายอยู่ยังยังไม่อยากให้คนเขาว่าเราโง่ถ้าเราฉลาดก็ไม่อยากเป็ต้องก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นแหละถึงจะเรียกว่าฉลาดนถ้ายังมาเกิดอยู่ในโลกนี้อยู่นี่ถือว่าโง่ด้วยกันทังนั้นอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ย ใจของพวกเรานี้ยังมีความโง่เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยการกระทำของเราตลอดเวลานี่ถูกความโง่เป็นตัวสอนทั้งนั้นน่ะสอนให้เราหลงว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นสามีเป็นภรรยาเรามันไม่ใช่หรอกมันไม่มีในโลกนี้ที่มีอะไรเป็นของเรา ถ้าเราได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนรับรองได้ว่าเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอเชิญถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณวิสัตถยามีเพื่อนฝรั่งถามเข้าว่าถ้าทุกคนอยากไปนิพพานกันหมดก็ไม่มีใครทางานนะสิ เพราะทุกคนก็จะสละทุกอย่างเพื่อไปนั่งสมาธิเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทำคือทิ้งทุกสิ่งทิ้งครอบครัวทิ้งลูกเพื่อไปหาหนทางหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรออย่างนี้ต้องตอบอย่างไรดีคะเพื่อให้เขาเห็นว่าการไปนิพพานเป็นสิ่งที่ดีคือเขาเป็นสามีของน้องสาวแล้วน้องสาวก็อยากปฏิบัติ พอเจอคาถามนี้เลยพูดไม่ออกหนูอยากให้น้องสาวได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นควรต้องพูดกับสามีฝรั่งเขายังไงเพื่อให้เขาเห็นดีในการปฏิบัติธรรมค่ะข้อที่หนึ่งก็คือมันเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้การที่ทุกคนจะไปบวชไปพนันธิพานกันถ้าเป็นไปได้ก็ดีมันก็จะได้หลุดพ้นกันทุกคน แต่มันไม่มันไม่เป็นนะสิเนี่ยที่มาสอนด้เป็นให้ตายเขาก็อยากจะให้เป็นอย่างมันไม่เป็นเลยเป็นได้ก็ดีการไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่มันมันเสียหายตรงไหนมันมันเลวร้ายตรงไหนมันดีจะตายอันนี้เขายังไม่รู้เขายังคิดว่าการมาเกิดนี่ดีการมีความสุขจากการมีร่างกาย ไดท้ทำนู่นทำนี่เขายัางคิดว่ามันดีอยู่แต่เขาไม่นึกถึงเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันทำอะไรไม่ได้เวลาเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเวลาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายนี่มีแต่อยากจะฆ่าตัวตายกยันเนื้ออันนี้เขาไม่ได้มองคิดอย่างรอบคอบเขาคิดตามภาษาของกิลเลสทั้งเองก็บอกเขาว่าหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็นไปได้ก็ดีอสองการที่เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการที่เราไปโรงเรียนอย่างที่เมื่อกี้ได้เทศไว้เราไปศึกษาเพื่อที่เราจะได้มีวิชาความรู้ที่เราจะได้เอามารักษาอความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราก็เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือจบปริญญามาพอเรามีความรู้เราก็ไปสมัครงานทํางานทําการมีไรายได้ ถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเรามีแต่เที่ยวแต่เล่นพอเราจะไปสมัครงานก็ไม่มีงานที่จะให้เราทำงานที่จะทำได้ก็งานที่ใช้แรงงานเท่านั้นเองก็จะได้เงินเดือนน้อยแล้วก็ต้องทำงานลำบากออกกำลังเช่นไปแบกเข้าสาอย่างนี้ถ้าได้ไปเรียนก็จะได้ใช้วิชาความรู้ามาทำงานทาการได้เงินเดือน โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากนะักนี่เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะติดกับของการของกอบการอยู่กับความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราทุกขกับเรื่องนั้นทุกขกับเรื่องนี้เราแก้อย่างไรก็ไม่มีวันที่จะแก้ถูกทางเพราะเราไม่รู้จักวิธีแก้ที่ถูกทางนั่นเองแต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรม เราก็จะแก้ปัญหาต่างๆแก้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้ที่อยากจะรู้วิธีการแก้ความความทุกข์ต่างๆแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็จะสามารถช่วยเขาได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เรียน ได้ได้ปฏิบัติได้บรรลุแล้วก่อนที่เราจะช่วยผู้อื่นได้เราก็ต้องสอนตัวเราเองก่อนเราต้องมีความรู้ที่จะมาแก้ปัญหาของเราก่อนเมื่อเรารู้แล้วเราแก้ปัญหาของเราได้เราก็จะไปช่วยแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ดูพระพุทธเจ้าซิว่าท่านเป็นประโยชน์กับโลกมากมายขนาดไหนมีคนนับถือพระพุทธศาสนานี้ ข้อที่ได้ยินเคยได้ยินว่าเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกคือพระพุทธศาสนาเนี่ยสมมบนโลกนี้มีคนอยู่หกพันล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งของอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือสามพันล้านคนนี่ได้รับประโยชน์จากการเห็นแก่ตัวของพระพุทธเจ้าอ่ก็คิดดูว่าเห็นแก่ตัวแบบนี้มันร้ายกาจมันเสียหายตรงไหนดีกว่าเห็นแก่ตัวแบบไปกินเหล้าเมา ย, ยา ก, กันแล้วก็ไปอรารวาสขับรถชนทําให้คนตาย อย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเอานะเข้าใจแล้วนะค่ะคำถามต่อไปจากคุณวีรพลเวลาผมนั่งสมาธิภาวนาจิตก็จับแต่ลมหายใจเข้าออกกับพุโทโธโดยไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาให้คิดแต่เวลาที่มีเสียงจากภายนอกผมก็ยังได้ยินอยู่อย่างนี้ถือว่ากระผมปฏิบัติถูกต้องหรือยังครับ ก็ปฏิบัติถูกต้องแต่ว่ายังไม่ได้ผลเต็มที่นั่นเองยังอยู่ในขั้นเจริญสติอยู่เกิดใจยังจดจ่ออยู่กับลมหายใจเขาออกไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตยังไม่รวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เลยยังได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้อยู่แต่ถ้าพยายามทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต่อไปผลก็จะปรากฏผลก็จะเกิดขึ้นในสองอย่างคือ ได้ยินเสียงได้รับรู้เรื่องราวผ่านทางร่างกายแต่ใจไม่มีอารมณ์กับการรับรับรู้เรื่องราวต่างๆเสียงจะดังยังไงจะเป็นเสียงแบบไหนก็จะไม่สะเทือนใจหรือว่าถ้ามันลงลวกกว่า น, นั้นก็หายไปเลยทั้งร่างกายเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลำพังอันนี้ก็เป็นผลที่จะต้องตามมาต่อไปถ้าเราพยายามภาวนาต่อไป มีสติอยู่กับการดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่มาปรากฏให้เรารับรู้คำถามต่อไปจากคุณเล็กพระพุทธเจ้าได้บอกให้พุทธศาสนิกชนฆ่าสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ขายสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ครับนี่เป็นข้อห้ามของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสัมอาชีพอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อาชีพที่อาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี้ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ควรทําเช่นทรงห้ามไม่ให้ค้าค้าสิ่งที่มีชีวิตเช่นค้าเป็ดค้าไก่ค้างวฆ่าควายเพื่อที่เขาจะเอาไปฆ่าเอาไปทําเป็นอาหารไม่ให้ค้าพวกสัตว์ราวุธต่างๆอาวุธต่างๆปืนผาหน้าไม้ที่จะเอาไปใช้ในการฆ่าผู้อื่นไม่ให้ไม่ให้ขายสุรายาเมา เพราะการดื่มทุรายาเมาจะทําให้ไม่มีสติแล้วจะไปทําให้ไปก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อนต่อไปคําถามตอบแล้วคนที่เข า, ข อ, ขายอย่างอย่างคนที่เขาเพาะลูกหมาขายอย่างนี้เลยเจ้าค่ะถ้าไม่อเอาไปฆ่าก็ไม่เป็นไรนหอายถึงว่าอเอาไปฆ่าเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็ออเอาเอาไปฆ่าอเอาไปขาย าบัวควาาายย่่มออะไรนี้คำถามต่อไปจากคุณอา玛จะปฏิบัติอย่างไรให้มีกําลังจิตที่เข้มแข็งสามารถระงับนิวรทั้งห้าและความฟุ้งของจิตค่ะก็ต้องมีสตินี่เองต้องเจริญสติให้มากๆควรเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ใจมีอะไรผูกใจไว้มัดใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ จะบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้จะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้มีหลายวิธีหรือจะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็ได้แล้วแต่จริตของเราว่าถูกกับอันไหนขอให้มีสติเครื่องผูกใจไว้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจว่างให้เย็น ให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้และเวลานั่งสมาธินี้จะสงบได้อย่างรวดเร็วคำถามต่อไปจากคุณกนกสีการสละท ร, รัพย์ให้กับผู้อื่นเช่นสละเงินเพื่อช่วยเพื่อช่วยผู้ที่เดือดร้อนกับการสละให้ลูกหรือญาติพี่น้องถือเป็นการให้ทานที่เป็นบุญเท่ากันหรือไม่ เช่นถ้าไม่เคยสละทานให้ผู้อื่นแต่สละทานให้กับครอบครัวพ่อแม่ญาติี่น้องตัวเองเท่านั้นคือการทำทานนี้ผลที่จะได้รับก็คือความสุขใจละความสุขใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราให้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือให้ด้วยความมีอาสมอามิตรคือหวังผลตอบแทน ถ้าเราให้ด้วยการที่เราหวังผลตอบแทนบุญมันก็จะน้อยกว่าการให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับแล้วก็ถ้าให้ด้วยเหตุด้วยผลให้ด้วยดูแรงดูที่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักอันนี้ก็จะได้ได้บุญมากกว่าการที่เราให้เพราะเราเล็งไปที่ว่าเขาเป็นใครเช่นเวลาเราจะทําบุญ แล้วทำบุญกับคนนี้ถ้าเราถึงแม้เขาจะเป็นญาติกับเราแต่ทำแล้วเขาไม่ได้ทำประโยชน์เขาเอาเงินที่เราให้นี้ไปทำโทษอย่างนี้เราก็ไม่ควรให้เขาเช่นเขาไปซื้อสุรามาดื่มอย่างนี้เอาไปเล่นการพนันถึงแม้เขาจะเป็นญาติของเราให้เขาไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากไม่ประโยชน์แล้วยังเป็นโทษกับเขาใจของเราก็จะไม่สบายใจให้แบบนี้ แต่ถ้าเราให้เขาแล้วเขาเอาไปทํามาหากินเอาไปช่วยช่วยเหลือครอบครัวเขาทาให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นให้อย่างนี้เราก็จะมีความสุขใจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลผู้รับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ว่าการให้ของเรานี้เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าหนึ่งต้องการผลตอบแทนจากเขาหรือเปล่าสองประโยชน์สุขที่เขาจะพึงจะได้รับนี้มีมากน้อยเพียงไร ถ้าเขาได้รับประโยชน์สุขมากเราก็จะมีความสุขมากเห็นเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขนี่คือผลจากการให้ทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครเป็นหลักคําำถามต่อไปจากคุณวุฒิชัยข้อที่หนึ่งผู้ที่มีภูมิธรรมโสดาบันตั้งแต่อดีตชาติล่วงมาแล้ว ท่านสามารถปฏิบัติให้ถึงที่สุดทุกขโดยชอบในปัจจุบันได้เลยใช่ไหมครับได้เพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านเป็นคนที่เห็นทางไปสู่พระนิพพานแล้วจะมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนามีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาถ้ามีก็จะช่วยให้การเดินทางของท่านไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพราะว่าเป็นทางที่ท่านยังไม่ ไปไม่ถึงและมีอุปสรรคมีกับดักอยู่แต่ถ้ามีคนที่เคยไปผ่านมาแล้วคอยเตือนคอยบอกว่าตรงนี้อย่าไปเนอะตรงนี้ทางตันทางนี้มีเหวพอมีคนคอยบอกเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปแล้วต้องถอยรุดกลับมาเราก็จะได้ไปหลีกเลี่ยงอทางที่จะทําให้เกิดมี อุปสรรคมีปัญหาได้แต่ถ้าไม่มีก็ก็จะไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะไปแล้วก็ต้องถอยกลับเลี้ยวขวาไปแล้วเอ้ยนี่ไม่ใช่ทางต้องถอยกลับมาเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่ก็ไม่ใช่ก็ตรงไปท่านจะรู้ทางเพียงแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทางมันทางไหนเป็นทางที่ถูกต้องแต่ท่านก็จะสามารถที่จะพิสูจน์ไปเป็นระยะเป็นระยะไป เล่าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดข้อที่สองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ดีก็เป็นธรรมอันเดียวกันตัดสรุก็ธรรมอันเดียวกันธรรมก็เป็นของเก่าทานศีลภาวนาก็อันเดียวกันขอพระอาจารย์อธิบายให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจด้วยครับ ก็อันเดียวกันแล้วจะอธิบายยังไงทานก็ทานอันเดียวกันทานก็ให้เนี่ยทําทานมีเงนินมีทองก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นศีลก็ศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยี่บเจ็ดภาวนาก็สมถะภาวนาทําใจให้สงบเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็ทําใจให้เจริญพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอสุภะให้เห็นดินน้ําำนมใสมันก็อันเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยจะให้อธิบายยังไง คำถามต่อไปจากคุณดาวีข้อที่หนึ่งนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเกิดเวทนามากพระอาจารย์มีวิธีแยกจิตกับกายยังไงให้ไม่เจ็บปวดมากครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติใช้การบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมอะไรก็ได้นับหนึ่งสองสามก็ได้อ น, นี้จังทุกขังอนาัตตาก็ได้คือให้ใจเรามีงานทาเพื่อที่เราจะได้ไม่ไป คิดถึงเรื่องของความเจ็บพอเราคิดถึงเรื่องของความเจ็บใจมันจะอยากให้มันหายพอเกิดความอยากให้มันหายมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่งที่ร้ายกาจกว่าความทุกข์ของร่างกายที่เราทนนั่งไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ของใจที่อยากจะหนีจากความเจ็บของร่างกายไปถ้าเราป้องกันไม่ให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้ด้วยการไม่ให้ใจมีโอกาส เกิดความคิดอยากขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทธโธด้วยการสวดมนต์ด้วยการนับหนึ่งสองสามไปนี้มันก็จะทำให้เราเไม่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาได้แล้วทำให้ใจของเรานี้ปล่อยวางความเจ็บของทางร่างกายได้แล้วก็ทำให้เราอยู่กับร่างความเจ็บของทางร่างกายได้หรือบางทีใจของเราก็รวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็แยกออกจาก ความเจ็บของทางร่างกายอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้มีนี่คือวิธีหนึ่งคือวิธีสติเนี่วิธีที่สองนี่คือวิธีใช้ปัญญาอันนี้จะเหมาะกับผู้ที่ได้ใช้สติเป็นเป็นวิธีแก้ปัญหามาแล้วจิตรวมจากการจากการใช้สติหลบจากยากออกจากทุกขเวทนาแล้วครั้งต่อไปนี้เราก็รู้แล้วว่าทุกขเวทนานี้มันไม่รุนแรงมันไม่น่ากลัว ไอตัวที่น่ากลัวก็คือตัณหาความอยากที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเราก็มาใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้เกิดไม่ให้สร้างตัวนี้ขึ้นมาไม่ต้องหลบไม่ต้องใช้สติบริกรรมพุทโธไม่ต้องนับหนึ่งสองสามมาสอนใจบอกว่าอย่าไปอยากให้มันหายมันไม่รุนแรงมั น, ม, น, ม, นมันไม่ร้ายกาดเหมือนกับหมอบอกว่าฉีดยายไม่ต้องวิ่งหนีรอให้หมอฉีดไป มันไม่เจ็บมันไม่เกินทนความเจ็บที่เกิดจากการนั่งหรือการเจ็บที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้เปิดของร่างกายนี้มันไม่ร้ายกาดไอตัวที่ร้ายกาดก็คือความกลัวความเจ็บอันนี้เราต้องหยุดไอความกลัวตัวนี้ให้ได้เราต้องไม่ไม่ต้องกลัวมันใจดีสู้เสือเสือไม่กัดให้คิดอย่างนี้แล้วพอเราพอเราไม่กลัวมันมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเรา ความกลัวนี้ทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาพอเราดับความกลัวนี้ได้ด้วยการสอนใจว่าความเจ็บของร่างกายเราเคยผ่านมาแล้วผ่านด้วยสติแล้วตอนนี้เราไม่ต้องหนีมันก็ได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างร้ายกาจอย่างไรเหมือนกับตอนที่เรากลัวหมอฉีดยายอย่างนพอหมอฉีดก็ไปจริงๆก็เท่านั้นก็เจ็บนิดหน่อยท่านั้นเอง เนี่ยคือต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะเราสั่งมันไม่ได้ไล่มันไปไม่ได้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเรามันจะต้องเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเอย่างั้นเราหัดมาอยู่กับมันดีกว่าเราอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความกลัวมันให้คิดอย่างนี้แล้วใจก็จะยอมใจก็จะวางเฉยแล้วก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบาย ข้อที่สองนิพานเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งที่อยู่เหนือชั้นพรมใช่ไหมครับจิตของพระอาหารหันยังคงอยู่หรือดับหายไปเลยครับคำว่านิพานที่เราว่าเป็นสวรรค์นี่ก็เป็นคําเพียบเปียบเปื่อยท่นเองแต่ความจริงมันเป็นความสุขระดับต่างๆของใจความสุขระดับเทพระดับพรมนี้ยังเป็นความสุขระดับที่ไม่ถาวรมีการเจริญแล้วเสื่อมได้แต่ความสุขระดับของ พรนิพานานี้เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปแล้วพระอรหันต์นี้ก็ไม่ได้จิตของพระอรหันต์ถามว่าหายไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมฮัลโหลเขาถามว่าจิตของพระอรหันต์ยังคงอยู่หรือดับหายไปครับมันจะหายไปไหนแล้วก็จิตตัวนี้เป็นผู้ที่รู้พระนิพพานรู้อะไรต่างๆถ้าไม่มีจิตแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าตัวเองบรรลุพระนิพพานแล้ว คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมมีเรื่องอยากทราบว่าอัตตาหีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิตแต่ทำไมเราจึงต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวต่างๆนานาเราสามารถปฏิบัติโดยอ่านเอาอย่างเดียวหรือหรือว่าสำนวนนี้มีอะไรขยายความมากขึ้นอีกครับ คือที่พึ่ง น, นี้มันมีสองอันไม่ใช่อันเดียวอัตตาหรออัตโนนาโถนี้ก็เป็นที่พึ่ง อ, อันหนึ่งแล้วก็พุทธังธรรมังสังคังสระนังกัชามิก็เป็นที่พึ่งอีกอันหนึ่งมันต้องมีทั้งสองส่วนถึงจะครบถั่วก็เพราะว่าการที่เราจะศึกษาและปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราไม่มีความสามารถพอที่เราจะ ทำได้ด้วยตัวเราเองยกเว้นคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีพุทธัทงธรรมังสังคังสานังกระฉามิมีแต่อัตตาหิอัตนโนนาโถล้วนๆแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ยังต้องพึ่งอาจารย์พึ่งพ่อแม่เหมือนกันอยู่เพราะสถานภาพของชีวิตนี้มันจำเป็นจะต้องพึ่งเกิดมาเป็นเด็กทารกถ้าไม่มีพ่อมีแ ม, ม่ให้นมให้น้าให้ข้าวมันจะกินเองได้ที่ไหน จะหาข้าที่ไหนมากินเองได้มันก็ต้องมีผู้ที่เข า, เามีความสามารถที่จะเลี้ยงดูเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของของสถานภาพของชีวิตในแต่ละขั้นตอนมันต้องมีที่พึ่งนอกจากพอถึงถึงขั้นที่ไม่ต้องพึ่งเขาแล้วนั่นแ่ะถึงต้องพึ่งตัวเราเองเช่นพ่อแม่เขาไม่มาเลี้ยงนมให้เรากินทุกวันพอโตขึ้นเราหานมกินเองได้เขาก็ปล่อยให้เราไปหานมกินกันแล้ว หาข้าวกินกันเองหาน้ำกินกันเองแต่ตอนที่เรายังพึ่งไม่ได้ก็ต้องพึ่งผู้อื่นไปก่อนเช่นเดียวกับการที่พึ่งต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเราไม่สามารถพึ่งตัวเราเองได้เราไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก่อนแต่พอเราได้เห็นดวงตาเห็นธรรมแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งใครแล้วเรามี มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเป็นของเราแล้วเป็นตัวของเราแล้วเราก็เป็นที่พึ่งของเราไปพระโสดาบันเนี้ยไปเนี้ยท่านก็พึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีมันทําให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นถ้าไม่มีอย่างพระอาน์นี่พอพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วพระอ น, นุนก็ต้องพึ่งตนเองต้องบําเพ็ญตามลําพังอยู่สามเดือนด้วยกันแล้วในที่สุดก็บรรลุได้เพรอก่อน ตอนนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระสวสดาบันแล้วตอนการที่พระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จดับขันนี้ตอนที่พระอานุน์อยู่รับใช้กับพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสวสดาบาลแล้วแต่ท่านไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติเพิ่มเติมให้บรรลุถึงพระอราหารันต์เท่า น, นั้นเองพอเวลาพระพุทธเจ้าจากไปแล้วท่านก็เลยมีเวลาว่างท่านก็สามารถไปบําเพ็ญได้ด้วยตนเอง เพราะท่านมีพระพุทธพระรรมประสงค์อยู่ในใจของท่านแล้วคาถามต่อไปจากคุณคนล่าฝันพ้นจากสัญชาตญาณไปทางไหนครับพ่ออาจารย์สัญชาตญาณมันก็เป็นสิ่งที่เร า, เาปลูกฝังว่าไม่ไวในจิตใจของเราจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับการเป็นอัตโนมัติคือเวลาเราทำอะไรนี่ถ้ามันถึงขั้นปลุกปรับนนี่ ใช้ความคิดไม่ถันนี้มันตัวนี้มันจะเข้ามาเช่นเวลาเราเดินลื่นเนี่ยมันจะล้มเนี่ยเราจะต้องรีบคว้าคว้าหาอะไรทันทีถ้าเราคว้าได้ช่วยตัวเราเองได้เราจะช่วยทันทีอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยที่เราได้ถูกฝึกมาฝึกฝนมาให้ดูแลรักษาชีวิตของเรามันก็เรียกเป็นสัญชาตวตยานไปคือเราไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปั๊บมันจะ มันจะ ป, ปฏิบัติทันทีเหมือนกับเราถูกสอนให้ซ้อมวิธเีเกิดไฟไหม้ให้ออกจากตึกอย่างไรเพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องมาศึกษาวิธีออกจากเตึกเพราะเราได้ซ้อมมาอย่างชํานาญแล้วพอเกิดไฟไหม้ปั๊บทุกคนก็รู้ว่าต้องทําอะไรสัญชาตญาณมันก็ในลักษณะอย่างนั้นเป็นการฝึกฝนวิธีการดูแลรักษาชีวิตของเรา มาอย่างต่อเนื่องจกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเอถึงเวลาที่จะต้องรักษาชีวิตนี้มันจะมาทาหน้าที่ของมันทันทีคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบุคคลที่มีจิตใจเบี่ยงเบนทางเพศควรปฏิบัติทรรมให้สมควรแก่ธรรมอย่างไรและสามารถบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่หรือว่าเป็นการห้ามมัด ขนนิพานแล้วแต่แลกอ๋อไม่ห้ามเหรอกการเบี่ยงเบนทางเพศก็เพียงแต่ชอบชอบคนนั้นท่นีนชอบคนนี้ท่านั้นเองมันก็เหมือนกันอ่ะผู้ชายชอบผู้หญิงมันก็เหมือนก็เป็นมันก็เป็นกิเลสผู้ชายชอบผู้ชายมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันก็หยุดมันได้ด้วยศีลแปดเหมือนกันก็ถือศีลแปดได้มันก็แก้ปัญหานี้ได้เหมือนกันก็อย่าไปร่วมหลับนอนกับใครเท่านั้นเอง ที่เขาไม่ให้มาบวชกับพระเพราะว่ามันจะเดี๋ยวไปกอดพระนอนกับพระเพราะมันอยู่ใกล้กันเขาเนี้ยเป็นชายชอบชายล้วมาอยู่ใกล้พระพระกับพระเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็ไปกอดกันนอนด้วยกันยังไงคำถามต่อไปจากคุณดวงทิพตเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบกายเบา ต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเหมือนกับเราหลับทำอย่างไรจึงจะข้ามพ้นจุดนี้ไปได้คะและควรปฏิบัติอย่างไรให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาของการนั่งคะ่ะถ้ามันไม่มีสตินั่งไปแล้วมันก็หลับถ้าอยากจะให้ไม่หลับเราก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือถ้าไม่ฉะนั้นก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัว ถ้าเราอยู่ที่ใ น, นที่หน้าโก้นี้มันจะไม่หลับพระบางรูปนี้ท่านบอกท่านไปนั่งหน้าปากเหวเลยถ้าหลับก็หัวทิ่มลงเหวถ้าอย่างนั้นมันจะไม่หลับมันจะมีความตื่นตัวหรือไปนั่งอยู่แถวที่มีเสือมีงูเลื้อยผ่านไปนั่งแล้วมันก็จะไม่หลับหรือ อ, อดอาหารก็ได้มันก็จะช่วยได้แล้วแต่วิธีที่เราคิดว่าเหมาะกับเราก็ลองเลือกทำดูเอา คำถามที่เหลือจากทางบ้านขอยกไปพรุ่งนี้ค่ะมีคนถามต่อในศาราค่ะอ่าเชนมาตรการพระอาจารย์นะคะคือจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องภาพลวงตาโดยที่ในช่วงจังหวะแรกที่เราเห็นภาพลวงตาโดยที่เราเออเหมือนกับเราเราตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งสติเรารู้สึกว่าไม่รู้ตัวก็เกิดความสะดุง้ง ความกวดขึ้นมาแต่มาเรามารู้ทีหลังว่าเราก็บอกตัวเองว่าสิ่งนั้นเน่ยคือความว่างเปล่าตรงจุดนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังภาพนั้นยังปรากฏแต่เราก็ยังบอกว่าคือความว่างเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่มีตัวตนแล้วก็พยายามรักษาจิตตัวเองตรงจุดนี้่ค่ะก็คือภาพที่เราเห็นตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะลบเลือนโดยที่เราจะต้องตั้งสติใช่ไหมคะอ่อมันมันหายไปแล้วเพียงแต่เราไปคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเอง แลเราไม่ต้องไปคิดถึงมันพยายามทําใจให้อยู่ในปัจจุบันเช่นตอนนี้มันถ้าเราอยู่ตรงนี้ภาพต่างๆที่มันเคยปรากฏมันก็ไม่ปรากฏแล้วก็ถ้ามันปรากฏก็ไม่ต้องไปกลัวมันก็ให้รู้ว่ามันเป็นเป็นภาพเหมือนกับเราดูภา พ, พ ย, ายนตร์อย่างนี้มันไม่สามารถที่จะมาทําลายใจของเราได้สิ่งที่จะทําลายใจของเราก็คือความกลัวของเราเองและความไม่อยากให้เห็นภาพนั้นซึ่งเราห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตา เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปอนัตตก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะดับก็ห้ามมันไม่ได้ทุกขังก็เพราะว่าเราไปกลัวมันเราไปอยากให้มันไม่ปรากฏยั้นเราอย่าไปกลัวมันเราปล่อยให้มันมันจะเกิดปรากฏขึ้นมาก็ปล่อยให้มันปรากฏไปใจมีหน้าที่เพียงแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้าสักแต่ว่ารู้แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไร เราให้เป็นภาพน่ากลัวขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายใจได้เหมือนครับภาพที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์อย่างนี้จะเป็นลูกระเบิดระเบิดขึ้นตูมในจอมันก็ไม่ได้ทำให้จอแตกแต่ในภาพที่อยู่ในใจของเราก็แบบเดียวกันในกรณีที่ เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยจิตมันผุดอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นความเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันใช่ไหมจังแล้วเราก็พิจารณาไปใช่ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแต่ทางที่ดีไม่ควรจะไว้สนใจมันที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีสติเราปล่อยใจให้ผลิตมันออกมาถ้าเรามีสติเช่นเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปนี้มันก็จะไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาใ น, นเวลาภาวนานี้ไม่ควร อยู่ปราะศะจากสติไม่ควรอยู่ปล่อยปล่อยใจให้อยู่ตามลําพังเดี๋ยวมันก็จะปรากฏสิ่งต่างๆขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มีโทษทําให้ใจเราเขว้ได้ทําให้ใจเราหวั่นไหวได้ <Yeah. S 1> น้อยครั้งที่จะมีคุณมีบ้างภาพบางอย่างนี้ปรากฏก็้นทำให้มีคุณต่อการปฏิบัติได้เช่นเห็นภาพของของเราตายไปเห็นภาพอสุภะอะไรอย่างนี้ มันก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำเอามาเจริญต่อได้เอามาพิจารณาต่อได้มาทำเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสได้แต่ในเบื้องต้นนี้ควรจะฝึกสติให้มากๆเพราะสตินี้สามารถที่จะลบภาพต่างๆได้เวลาเกิดภาพต่างๆขึ้นมาถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ก็ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อแหะคะเหมือนกันตาเนื้อหรือตาในก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่ารูปที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปในหรือรูปนอกรูปในอดีตหรือรูปในอนาคตก็ให้พิจารณาว่าเป็นไตรลักษทั้งหมดมเช่นเดียวกับเสียงกับกลิ่นกับรสเนี่ยทั้งหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพจะเป็นภายนอกก็ดีภายในก็ดี ภายนอกก็เห็นด้วยตาเนื้อสัมผัส ด, ด้วยร่างกายภายในก็เป็นเป็นตาเป็นสัมผัส ด, ด้วยตาทิ่ผูทิพย์มันก็เหมือนกันมันก็เป็นตายรักเหมือนกันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะไม่ทุเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีมีข้อดเดียวแล้วมีใครอยากจะถามย่งไงัา นวัต ก, การมพระอาจารย์ค่ะคือเท่าความก่อนหนูเริ่มเข้าอาหาธรรมะตั้งแต่วัยรุ่นเพราะว่าหนูกลัวตายแล้วจนถึงตอนนี้ก็คือยังถ้าคิดถึงเรื่องตายก็ยังมีเสี่ยงแป๊บๆอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วปัญหาของหนูคือไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือว่าทําอะไรอย่างเช่นขึ้นรถบีเทสไปทํางานพอเห็นใครหนูก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ต้องตายนะพอสถานีต่อไปอารีเปิดประตูปุ๊บมีคนเข้ามาหนูก็คิดว่าคนนี้ก็ต้องตายนะ คือจะคิดอยู่แบบนี้ตลอดอะค่ะไม่ว่าเห็นใครเลยอยากรู้ว่าที่คิดแบบนี้ยเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าได้คิดแล้วลึกถึงความตายหรือว่าเป็นความคิดที่ผิดค่ะก็ถูกเพียงครึ่งเดียวคือเราต้องคิดถึงตัวเราด้วยเราคิดว่าเขาตายเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องตายด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเ vale ป็นเหมือนกับการไปสาปแช่งผู <S <s <S <s ้อื่นแล้วลืมว่าตัวเราเองก็ต้องตายเหมือนกันความจริงดูความตายของเรานี่สําคัญกว่าดูกับความตายของผู้อื่น ยกเว้นว่าบุคคลที่เราเห็นนั้นเป็นบุคคลที่เรามีความผูกพันมากถ้าเป็นบุคคลที่มีความผูกพันมากรักมากนี้เราต้องพยายามเห็นความตายของเขาเพราะ ว, ว่าถ้าเราไม่เห็นไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเขาตายไปเราจะทําใจไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นไว้ล่วงหน้าก่อนเห็นบ่อยๆเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เช่นเดียวกับการความตายของเราเราก็ต้องพยายามดูอยู่บ่อยๆเพราะ ว, ว่ามันจะกระเทือนใจเรามากที่สุด คนอื่นที่เราไม่รู้จักเราไปดูมันไม่สะเทือนใจเราดูไปก็เท่านั้นเขาตายไม่ตายมันก็เท่ากันแต่คนที่เรามีความผูกพัน ม, มีความรักมากนี่มันจะสเจะสะเทือนใจเราจะทำให้เราทุกข์ใจเราจึงต้องคิดถึงเขามากกว่าของคนอื่นคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงตัวเราที่เรารักว่าเราต้องตายต้องตา ย, ยาแต่ถ้าเราคิดแล้วใจเราหดหู่ก็แสดงว่าใจเราไม่พร้อม ใจเรายังไม่สงบพอเราก็ควรที่จะหยุดก่อนแล้วก็มาทําใจให้สงบบริกรรมพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขามีความสงบเป็นพื้นฐานพอเรามีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราลองพิจารณาดูคิดถึงความตายของบุคคลที่เรารักถึงบุคคลข อ, ของตัวเราเองของชีวิตเราเองว่าเราต้องตายเขาคนที่เรารักเขาก็ต้องตาย ถ้าคิดแล้วใจเราไม่มีความหดถูก็แสดงว่าเราคิดได้คิดแล้วใจกับเพิกกับสงบมากขึ้นนี่ก็แสดงว่าใช่ได้ถ้าคิดแล้วใจฟุง้งขยับหวาดกลัวนี่อย่าเพิ่งไปคิดหยุดก่อนถ้าคิดแล้วเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้เพราะมันเป็นความจริงที่ไม่มีใครที่จะหักห้ามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ แต่การเห็นความจริงล่วงหน้าก่อนมันก็จะทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไม่เสียหลักเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเข้าใจเลยนะอย่าไปเห็นแต่คนอื่นตายแล้วลืมว่าตัวเราก็ต้องตายเหมือนกันคนที่เราไม่รู้จักเขาตายไม่ตายไม่ค่อยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ต้องเอาคนที่เรารักเราหวงเช่นสามีภรรยาบิดามารดาบุตรธิดาหรือตัวเราเองเนี่ย อันนี้เรารักเราห่วงมากเราต้องจากมันสักวันหนึ่งเราต้องคิดถึงวันที่เราจะต้องจากมันแล้วเราจะได้เตรียมตัวปล่อยมันพอปล่อยมันได้แล้วเวลาถึงเวลาก็จะไม่ทุกข์เวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเหลืออีกสามเดือนก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอไปหาหมอฉันต้องตายด้วยหรอท่านเห็นคิดว่ามีแต่คนอื่นตายฉันลืว่าฉันต้องตายด้วย นะอาจจะเป็นลมเลยก็ได้บางคนพอแล้วว่าต้องตายบวดกำลังใจนะแต่มีใครอีกไหมถ้าถ้าไม่มีวันนี้ก็แค่ว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด